หกถึงเจ็บสอุปาทานโคชกะ67สภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเจกิเลสทุกกะ68สสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลส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 สภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสเกิดแบบขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเ้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระเจ็ดสิบหสังกิเลสุกะทุกะหกสิบเก้า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 ทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดาร77สังเกตฤิฐะทุกกะ70สภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทาให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทาให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กิเลสทาให้เศร้าหมอง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 เหตุ hey, ปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยเพึงขยายให้พิสดารเจ็ดกิเลสสะสมพยุติธาตุกะเจสอสภาวธรรมที่มีสัมพยุทธ์ด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่มีสัมพยุทธ์ด้วยกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสและที่ไม่วิปวิจักกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตตะปัจจัยมีห้าวาระทุก ah, ปัจจัยพึงขยายให้พิสดารเจ็สิบเกิเลสะสังกิเลสกะทุกกะเจ็สิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลส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 ละถึงอวิคตะปัจใจมี9้าวาระแปดสิทธิเลเสะสังกิริธะทุกะเจสิบสามสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลส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 ละถึงอวิคตาปัจจ like ัยมี9้าวาระแปสบเอดกิเลสะกิเลสสัมปยุตตทุกกะเจสิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิปวิจักกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกิเลสและที่ไม่วิวิจักกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักกิเลสและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักกิเลส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 กิเลสะวิปยุตตะสังกิเลสกะทุกะ75สภาวธรรมที่วิปยุจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจากกิเลสและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่วิปิยุจากกิเลสไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่วิปิยุจากกิเลสไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากกิเลสและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากกิเลสและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากกิเลส และไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจักกิเลสไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสและที่วิปิยุจักกิเลสมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิาาจารณาแตสบสาจเนนะปะหาตับพทุกกะ เจสหสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วย โ, โสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมา และมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระแปบสี 84. ภาวนายะปะหาตภะทุกะเจ็สิบเจดสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ ยอเหตุปั จ, จัยมีห้าวาระปรมณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีห้าวาระ 85. ทส้าทัศเนนะปะหาตภะเหตุกะทุกระเจ็ดสสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักอาศัยสภาวะธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคและที่มีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระย่อ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีเก้าวาระ8ปสิบหภาวนายะปะหาตพะเหตุกะทุกะเจ็สิบเกสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาิัยสภาวธรรมทีท่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามและที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยเมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระแปสเจ็วิตตะกะทุกะแปสสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิตกและที่ไม่ใช่ไม่มีวิตกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระ อาศัยวณปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหกวาระแปดสิบปดสวิจาระทุกะแปดสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีว <|si|>. ิจารเกิดขึ้นพระเหตุถปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม <No ่มีวิจารเกิดขึ้นพระเหตุถกปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีวิจารณ์และที่ไม่ใช่ไม่มีวิจารณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระอาศัยวณปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระแปสิบเก้าสปีติกทุกะแปดสิบสอง สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีปีติและที่ไม่ใช่ไม่มีปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยมีสามวาระย่อ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหกวาระอายตวณปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระเก้าสิบปีติสหคตาทุกกะแปดสิบสามสภาวธรรมที่ไม่ฉหรครตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ฉหรครคด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่มิใช่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่สศรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยปีติและที่มิใช่ไม่สศรคตด้วยปีติเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระ อาศัยวิณะปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเก้าสิบเอ็ดสุขะสหคตะทุกกะแปดสิบสสภาวธรรมที่มีสหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยสุขและที่ไม่ใช่ไม่สหรคตด้วยสุข เกิดขึ้นเพระเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอายจิวนปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระเก้าสิบสองอุเปกขาสหคตาทุกกะแปดสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่สหรคติอุเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรูปูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่สหรูปูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สหรูปูเบขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สหรูปูเบขาและที่ไม่ใช่ไม่สหรูปูเบขาเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุถูปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาเสวณปัจจัยมีหกวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเกสกลามาวจรธาุกกะแปสิบหสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกามาวจร อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกลามวจรและที่ไม่ใช่ไม่เป็นกลามวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยเหนือเก้าวาระอรมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึง อัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอาเสวะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเก้าสิบสี่รูปาวัจระทุกกะแปสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรและที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระ ละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอาเสวะณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเก้าสิบห้าอรูปาวจรทุกกะแปดสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที hmm. <Okay. S 2> ่ไม่เป็นอรูปาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอรูปาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระปรมณปัจจัยมีสองวาระละถึง วิปากะปัจใจมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีห้าวาระ 96. ปริยาปันนทุกะ 89. สภาวธรรมที่ไม่ใช่นับหนึ่งในวตัตทุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับหนึ่งในวตัตทุเกิดขึ้นพระเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งในวตัตทุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งในวตถถัตทุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ม <enne ben> ่น <era> ับหนึ่งเหนือวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่นับหนึ่งเหนือวัตทุกและที่ไม่ใช่ไม่นับหนึ่งเหนือวัตทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเก้าสิบเจดนิยานิประทุกะเก้าสิบ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากเวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากเวัตทุก์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากเวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุขเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากเวัตทุกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุ และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุนําออกจากเวตาทุกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระเก้าสิบปดนิยตตทุกกะเกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอน อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลแน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ให้ผลไม่แน่นอนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่แน่นอนและที่ไม่ใช่ไม่แน่นอนโดยการทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระหนึ่งร้สรณทุกกะเกสาสภาวธรรมที่ไม่ใช <Yes>, <intersections> ่เป <ume philosopher> <Th suc> ็นเหตุให้สัตรองให้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตรองให้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตรองให้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตรองให้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตวดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระปิติทุกกะจ ธรรมปั จ, จนิยะทุกตะปทานจบพระอภิธรรมปิดดธรรมปั จ, จนิยะทุกะตึกะปทานขอนนบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันต์ัมสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่เหตุอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลและเป็นอพยากฤิเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็น oriented, ynthia, เหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ no ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ <S <S ้นเพราะเหตุถูป um ัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศล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 และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพเเาระะ า, าร ะ, ะเหตุปัจจัยย่อสองเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงณกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง นมมคะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสหชาตวาระและถึงสัมปยุตตะวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดารเหตุปัจจัยและอรมณะปัจจัยสสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย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 ย่อสเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระละถึงอุปนิเสสะปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระละถึงกรรมปัจจัยมีสามวาระละถึงอาหารปัจจัยมีสามวาระละถึงชานะปัจจัยมีสามวาระละถึง วิบยุตตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระพึ่งขยายปัญหาวาระให้พิจารณาอย่างนี้หสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลและเป็นอพยากฤตเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนคุศนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนัคุศนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนคุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนคุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนคุศนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนัคุศล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 อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีก้าววาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าววาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระหสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอภิญากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอภิญากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอภิญากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัย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 หนึ่งเหตุตุทุกกะสองเวทนาตุกกะเจสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีก้าววาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระ 8. ปสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปะยุตธ์ด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าววาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีกาวาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระ 9. สภาสดดวธาวาาารมรทมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมพยุ ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมพยุด้วยอทุกขมสุขเวทนาะเกิดขึ้นเพราะเหตุววตปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าววาระละถึองอวิคตะปัจจัยมีก้าววาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระ๑เหตุทุกะ สถึงเก้าวิปากติกะเป็นต้นส0ละถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นวิปากทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก ทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระสิออาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบ bah, ด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระสิองอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กิเลสทาให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส ท, anes, ah, life, ท, sair, ทุกปัจจ mm ัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระสิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร ทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระ 14. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรคตด้วยปีติทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สหรรคตด้วยสุขทุกปัจจัยมีปัจจัยและเก้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สห์รคกขดูเบกขาทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระสิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม and ่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมาทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระ อาศ hmm. ัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระไม่มีวิบากสิบหกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระไม่มีวิบากหนึ่งเหตุทุกกะสิบถึงยี่สิบเอ็ดอาจยยาคามิติกะเป็นต้นสิบเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระไม่มีวิบากสิปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของเจ้าบุคคลทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาวาระ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นของอาศัยขบุคคลทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งม่ใช่ไม่เป็นของเสขาบุคคลและอาศัยขบุคคลทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระสิบเกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปริตตะทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นมหคัต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 ทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระไม่มีวิบากยี่สิบสามอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นเหตุทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีมรรคเป็นอธิปดีทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระยี่สิบสี่ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่ยังไม่เกิดขึ้นทุกปัจจัยมีปัจจัยและก่าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่จกเกิดขึ้นแน่นอนทุกปัจจัยมีปัจจัยและก่าวาระยี่สิบห้าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอดีตทุกปัจจัยมีปัจจัยและกาววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นอนาคต ทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระสิหอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ทุกปัจจัยมีปัจจัยและกลาววาระ ยี่สิบเจดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายในตนทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นภายนอกตนทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระยี่สิบปดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าววาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งไม่ใช่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระหนึ่งเหตุทุกกะยี่สิบสองสนิทัชณะเดึกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้น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 และที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าววาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าววาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าววาระ 30. สามสิบสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 ซึ่งมิใช hmm. ko ่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้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 อวิคตาปัจจัยมีกลาววาระชาชาตาวาระละถึงสัมยุตตาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารเหตุปัจจัยและอารมณปัจใจสามสิบเอ็ดสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยเหตุปัจจัย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 เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้โดยอารมณปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมี้าวาระละถึงอุปาเสสยปัจจัยมีก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาใจวะเนปปัจจัยมีเ้าวาระกัมะปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัใจจัยมีเก้าวาระอาหาระปัใจจัยมีสามวาระอินทรียะปัใจจัยมีเก้าวาระฌานะปัใจจัยมีสามวาระมัคคะปัใจจัยมีเ้าวาระสัมยุตตปัใจจัยมีเ้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระเพืงเ่งขยายปัญหาวาระให้พิจารอย่างนี้ 32. สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาทิตติปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระนิจญาปัจจัยมีหนึ่งวาระกามะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระ วิบยุตปัจใจมีหนึ่งวาระอธิปัจใจมีหนึ่งวาระอวิคตะปั จ, จัยมีหนึ่งวาระาทุปัจใ จ, จ, จ, จ, จเพิ่งขยายให้พิจาร 2. สงสเหตุหุุรรุุุุะรรุุุุุุปปจจุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ อาศัยโมหะที่โสหะโรด้วยจิกิจฉาและที่โสหรคตด้วยอุทจทะเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละถึงอาศัยมหาภูตรูปสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมประยุติขันอาศัยโมหะที่สหะโรด้วยจิกิจฉา และที่สองโรคโคตรอุทจฉาเกิดขึ <de <t ool> <t ool ้นในปฏิสนธิขณะขันที oh ่มีเหตุอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุถุปัจใจมีสามวาระย่อเหตุถปัจใจมี <l> 9ก้าวาระอรมณะปัจใยมีหกวาระอธิปติปัจใจมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจัยมีเก้าวาระสาสสสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศล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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสาวาระยอ่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระอารมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีหวาระและถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอสิวะณปัจจัยมีสองวาระละถึงพวิคตตปัจจัยมี9้าวาระสาห้า สภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรรมที่มิใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอภิยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวะธรร ม, ท, ม ท, ที่ไม่ใช่มีเหตุและที่มิใช่ไม่มีเหตุ ไม่เป็นอพยกฤิเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระเหตุสัมปยุตตาทุกกะเหมือนกับเหตุกุกะทุกกะ 4. เหตุเหตุทุกะทุกกะหนึ่งบุสละเิกะ36สสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุ <mister tumors> และที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหต Att ุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุไม่ใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุ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 และที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาววาระสามสิบปดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัภยกฤิอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีกล่าววาระไม่มีวิบากเหตุเหตุสัมปยุตตะทุกกะเหมือนกับเหตุสเหตุกะทุกกะหกนัเหตุสเหตุกะทุกกะหนึ่งกุสลติึกกะสามสิบเก้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระอรมณปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอายตวณปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตปัจจัยมี9้าวาระ 40. สสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุ ซึ่งไม่เป็นอกุศลนอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจใจมีสี่วาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอัญญามัญญาปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีสองวาระอสิเวนปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นพระเหตุ ป, ปัจจัยมีเพียงหนึ่งวาระเท่านั้นโดยอุบายนี้กุศลากุศลทุกกะและกุศลทุกกะเท่านั้นควรแสดงในที่นี้